ฟังทับกันเราก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสักสอนให้คนอื่นพูดก็พูดตามที่พระเจ้าสอน ม, มาจำมามาบอกกันจำ ม, มาแล้วก็มาทำมันได้ผลถ้าปฏิบัติตามธรรม ก็ได้ผลถ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมก็ไม่ค่อยจะได้ผลวิธีปฏิบัติก็สอนหน่อยอย่างสมบูรณ์แบบให้มีสติไปในกาย <c oughs> ทุกคนก็มีกายให้มีสติไปในใจิตใจทุกคนก็มีจิตใจ มันซอยออกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดจากกาจากใจก็อย่าหลงไม่มีสติอะไรที่เกิดกับกายกับใจที่ไม่ถูกต้องที่มันหลงอย่าให้มันหลงไปตลอดเวลาให้เราเปลี่ยนให้รู้ซะสิงที่หลงที่เกิดกับกายกับใจเป็นสิงที่รู้ทุก ทุกๆอย่างอันนี้คือปฏิบัติอย่างประเสริฐถ้าบันชิงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจในสิ่งที่เหมือนหลงที่เหมือนผิดก็ผิดไปแต่พืต่พือ่อ น, นั่นปฏิบัติอย่างเร็วไม่มีผลแล้วชิงที่ติดเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่ชิงใดที่เหมือนผิด เราสามารถแก้ให้มันถูกต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทำไม่ได้เลยทุกคนก็ทำได้จึงมาฝึกหัดตนมาสอนตนเองตั้งใจสอนมันให้บรรลุสึกตัวไปนีกาอยู่เป็นประจำ อ่ารูปแบบพร้อมกรรมฐานให้มันชินต่อความรู้แสดงออกในความรู้โดยจะพาะรูปแบบการเคลื่อนไหวไปมาให้มันรู้สึกตัวเนึ่งเนืองต่อเนื่องสึงที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ความรู้นั่นเราก็จะได้เห็นจะได้รู้จากสิที่มันไม่ถูกต้อง แล้วก็เปลี่ยนให้ถูกต้องทำให้รู้สึกตัวเห็นแล้วจึงทำถ้าไม่เห็นเนีย่ยไปคิดถามมันอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปตัวาบาปอยากได้บุญไม่เห็นมันก็ใช่มันได้แล้วเรามีสติไปในกายไปในปิดใจแล้วไม่จะเห็นสัมผัสได้ ว่าแต่มีเีนชีวัตคือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทีต่ตั้งไห้ตั้งไว้รู้สึกตัวอไว้มันจะต่างกันอยู่ผิดถูกมก็จะต่างกันอยู่การสัมผัส <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่การเรียนรู้โดยเหตุด้วยผลเป็นการสัมผัสโของเท็จของกริง ที่เหมือนเกิดกับกายกับใจเหล่านี้เราก็ตอบได้เห็นอย่างเกา่าเห็นอย่างเกา่าแล้วก็ชํานาญในการเปลี่ยนการลู่อย่างเกา่าเก่าจนคล่องแคล่วชำน้ชํานาญแลเมื่อเห็นสิ่งใดที่มันทําให้มันถูกสิ่งที่มันถูกทำผิดทําให้มันถูกมันจะถูกไปแต่พื้ตะพื้นไป ถ้าสิ่งใดมันผิดไม่ทำให้มันถูกก็จะผิดไปตะพืดตะพื้ไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนี้สี่ที่มันเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเราไม่เปลี่ยนให้มันถูกต้องไม่มีทุกข์ไม่มีโทษมันก็จะหมดอยได้ตลอดพบตลอดชาติอนุรู้เรื่องกายเรื่องใจนี่มันเป็น เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสวรรค์เป็นนิพพานต่ลูกแจ้งเห็นจริงต่ลูกนอกจากกายจากใจไปนั้นจะลูกขนาดไหนก็ไม่ใช่ไปถึงมาถึงผลต่ลูกเรื่องเกิดที่กับพึ่งกับพากับใจนี้มหนก็ปิดอบายภูมิ นโลกเปิดสติริชนในสุลกา ย, กายได้ปิดหน้าไม่ต้องกลัวว่าจะตกในโลกนโลกก็ดีเปิก็ดีใสุลกายสติริชาน ก, ก, ก็ดีมันก็เกิดอยู่ที่กายที่ใจของคนนี้ม่ใช่เกิดอยู่ที่ไหนปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นประจันตังมันเห็นเรื่องนี้ชัดเจน อันเห็นเรื่องนี้ชัดเจนแล้วก็ทำได้ด้วยปฏิบัติได้ด้วยให้ผลได้ด้วยตามสุขวรแก่ผู้ปฏิบัติถ้าทำเล่นๆกุมคุมเคลือเคลื อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อไม่ชัดเจนแม่นยำมันก็เป็นอยู่เชน่นเด้นกลมลังเลชงสใย รวมคิดผงสารรวมพยาบาทกามลาคา้าปฏิฆะมาหน้าทิฏฐิมันใหญ่ถ้าไม่รู้สึกตัวมันไม่ไม่มีไรที่ไปแก้ได้จะไปห้ามไม่ได้มันเป็นการเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันไม่ต้องไปห้ามแต่ห้ามไปอดไปทนอันนั้นเป็นการลูบคลำ ความหลงเลสงสัยไม่ใช่ความคิดเหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้นกับปากับใจเรานี้เป็นการกระทําลงไปเห็นความหลงเลสงสัยมีความรู้สึกตัวมาเกิดจากกายจากจิตก็จะรู้สึกตู้กายที่จิตเป็นต้นเหตุเอาไว้ให้รู้สึกตัวไปก่อนมางเกิดให้เราเห็นหลายหลายอย่างเวลาเรามีสติ เป็นตลาดนัดของการศึกษาทางจิตทางกายทางใจเข้าแถวให้ดูแล้วก็ลู้ไปทุกอย่างไม่ต้องไปค้นคว้าที่อื่นหรือเป็นชุมทางทางผ่านที่นี่ช่องแคบที่นี่ตติปัฐานเป็นชุมทาง ที่อะไรมาผ่านไม่เห็นหมดตรวจได้เหมือนตำรวจตรวจอยู่ที่ด่านต่างๆผ่านที่ด่านก็ตรวจตรวจได้จับได้ของเทศของกงร่งตัวัีปฐฐานที่เห็นเรื่องกายเรื่องใจถ้าเราจะพูดเป็นตามภาษาก็ว่า กายเวทนาจิต ธ, ธรรมมันไม่ใช่สี่อย่างถ้าพูดถึงหลักปฏิบัติจริงๆมันเห็นเป็นอาการเท่านั้นอันชุบอันทุกข์นั่นจะไม่เป็นสุกเป็นทุกข์จะเห็นเป็นอาการที่เกิด ก, กับก่ากับกาจนีแต่เห็นมีแต่รู้ เราลู่เป็นพื้นฐานต่างกันอยู่สุกกับต่างกับความลู่อยู่ทุกตัวต่างกับความลู่อยู่ถ้ามันต่างกันเช่นนี้ก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามความรููสึบตัวไม่ใช่ปฏิบัติตามความสุขความทุกข์สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องถ้าเห็นมันสุขมันทุกข์ไ่นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จุกันทุกก็ไม่มีค่าราวะที่เห็นที่รู้สึกตัวมีค่ากว่าสูงกว่าเหนือกว่าเป็นการเห็นอย่างนี้เรียว่าปฏิบัติเรียว่าเห็นแย้งอะไรก็อันเดินมันแหละอันสุกก่อนเก่าทุกก่อนเก่าอันหลงก็อนเก่า รู้นเนป็นอนเก่าเป็นตัวตั้งตัวยืนไปเลยให้มันจำนี้จำนานจำนานปายในกายจำนานปนยายในจิตใจเรื่องที่เกิดกับกายรู้แจ้งเห็นเทศเห็นจริงตามความเป็นจริงทั้งหมดจึงที่เกิดขึ้นกับจิตใจเห็นแจ้งเห็นจริงตามความเทศความจริงทั้งหมดหลบไปได้กายหลกไปได้ใจหลกไปได้ สติก็เป็นใหญ่รวมรู้สุดตัวเป็นใญ่เรียกว่าสติอินทรีเมื่อเป็นใหญ่มีความรู้สึกตัวมันเกิดอะไรขึ้นมองไปต่างเก่าแล้วก็ต่างเก่ า, ม, ก า, กามีอำนาจมีการคองมีความเด็ดขาดมีสติโดยชอบทำ แต่ละความเป็นธรรมเกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมที่เกิดจากกายจากจิตแม่กายก็ไม่ได้ความเป็นธรรมจากจากจิตใจจิตใจก็ไม่รับความเป็นธรรมที่เกิดจากกายเหียดเยี่ยงกันถ้ามีสติแล้วมีความรู้จึกตัวแล้ ว, วก็เกิดความเป็นทมขึ้นทั้งสองฝ่าย สนัสนุนกันช่วยการเป็นเรื่องของกายเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของจิตใจเป็นส่วนหนึ่งแล้วเกิดความมันทรรมขึ้นมาเมื่อมีความไม่ทธรมเกิดขึ้นก็ปกติเกิดเป็นสินเป็นสมาี่เป็นปัญญาแมิชำนานสินก็ไม่ยช่สินเฉยเฉยสินก็สินคือมาช่วย อารช่วยใจสมาธิคือทําให้หลักแน่นในเรื่องของกายของใจมั่นหวั่นไหวได้ที่ได้ทางไม่หลักได้แหลได้หลักได้ฐานปัยญาก็รวบรูบเปลี่ยนร้ายเป็นดีเปลี่ยนบ้านทุกหมดอึ่างใดที่ไม่ดีอึ่างใดไม่ดีเปลี่ยนหมดเลยเลือกปัญญารวกรูบในกองสังขารสังขารคือกายคือใจนี่ โลกรู้หมดไม่มีตรงไหนผิดบงังกาพางได้เรียว่าปัญญาโลก ร, รู้รู้เรื่องกายเรื่องใจเป็นกุศลอย่างไรเกิดกับกายเป็นกุศลอย่างไรเกิดกับจิตใจเป็นอกุศลอย่างไรเกิดกับกายเป็นอกุศลอย่างไรเกิดกับจิตใจเป็นมาเป็นบุญอย่างไรเอยความฉลาดขึ้นมาจะได้ เห็นหมดตอบได้เป็นหลักเป็นเกณนเป็นสูตรปอยสูตรของกายของใจเป็นช่ยอยออกไปเป็นสูตรที่กว้างใหญ่ไปสารเห็เป็นลูกเป็นนามแต่ลูกเป็นนามเท่านั้นการียกแยะก็ง่ายขึ้น แต่ก่อนเห็นเป็นกายเป็นใจแยกแยะไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอเห็นเป็นรูปเป็นนามมันก็แยกแยะได้ง่ายขึ้นสุขไปเป็นสุขทุกข์ไปเป็นทุกข์เป็นอาการที่เกิดกับตายกับใจความโกวความรูปความหลงเป็นอาการมายิ่งใหญ่แต่ก่อนเป็นรูปเป็นโกเป็นหลงใหญ่แบบนี้พอเห็นเป็นรูปเป็นนามไม่ใหญ่ มันมีบังเกอร์กั้นเอาไว้ครูเห็นพอเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นรูปทำเห็นนามทำรูปมันทำดีรูปมันทำชั่วนามมันทำดีนามมันทำชั่วคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นไม่ได้ปล่อยทิ้งม่เห็นนนะรูปทำชั่วมันก็ดูจักแก้ไข น้ำมันทำชั่วก็รู้จักแก้ไขเอาใช้กรรมอะไรบ้ารูปทำน้ำทำกิกรรมอะไรบ้าเห็นกรรมชัดเจนคือการกระทําของรูปของนามกรรมดีก็เป็นดีทันทีทำชั่วก็เป็นชั่วทันทีก็ต่ตื่นลุน้นรูปทำนาม้ำทำที่มันเป็นกรรมที่การกระทํทาธรรมะหนึ่งเป็นธรรมชาติ ที่มีเจดเดิมรูปธรรมนามธรรมก็ไม่เที่ยงกวาเป็นทุกข์ควไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมมันหนึ่งที่เป็นธรรมะก็เห็นแจ้งของรูปนีท่าจีนมีขันธ์หน้าเป็นรูปธรรมมันหนึ่งตาเราไปเห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงแต่หูก็ได้กินลิ้นก็ได้รู กายก็สมผัสจิตใจก็คิดนึกมีจิตยินยอนเล่นไปตอนนั้นไปทำบันเทิงไม่ใช่รูปทรรมที่บันทามถ้ามันแล่นไปทามันผิดเราเป็นเพราะรูปทรรมมันทําผิดให้ผิดให้ตาเป็นใหญ่ให้หูเป็นใหญ่และจมูกเรื่องกาจใจเป็นใหญ่ เมืตาหูจะโบ้ดิมกาเจ็บใหญ่ก็ไม่รู้ไม่กินมีเสียงถล้วสติอิงซีเป็นใหญ่ก็ใช้ตาใช้หูถ้าไม่มีสติก็ตาหูใช้ชีวิตเราไปเปนใหญ่แต่และสัดส่วนต่อตาเป็นใหญ่ก็ไปตามตาหูเป็นใหญ่ก็ไปตามหูไม่มีความเป็นธรรมต่อลูก หลับใช้รูกรดกิ่นเสียงจนเสียเวลาเวลาเป็นอารมณ์กระจักกิตที่คิดเสียเวลามากที่สุดไม่มีประโยชน์กิตที่คิดแล่นไปนู่นแล่นไปนี่ที่ไม่มีสติรู้สึกตัวไม่มีประโยชน์ละศูสูญเปล่า เรไม่นอไม่หลับเราไม่กินไม่ได้ทําไปเป็นทุกข์เ้าเป็นสุขความคิดเนี่ยว่าทำมาหลงที่เกิดกติดแล้วก็เป็นใหญ่แบบนั้นแล้วก็หลงไปกับมันด้วยว่าเราซะตอนนี้เราเห็นธรรมเห็นรูปทรรมเห็นนามธรรมความทุกข์ความจริงของรูปความทุกข์ความจริงของงาม เนี่ยมันบอกได้จากสูดเป็นระเบียบไ ป, ไปบรรบาจากสูกรไปสูดบุญสูดการกระทาสูดบาสูดจากการกระทำถ้ามันเลยจะปิดไปได้อบา ย, ยี่ปุนเหแก้กนพอเห็นลูกทมเห็นน้องทมที่มันบอกไม่เห็นมันก็แสดงให้เห็นมันโชว์ให้เห็น เห็นรูปทุกเนี่ยมันโชว์ที่สุดเลยเพราะว่าทุกเนี่ยที่เกิดจากรูปจากนํา ม, มันโชว์ที่สุดมีสติเห็นมันก็โชว์เรื่อยไๆตรงไหนปิดมันเปิดออกให้เห็นหมดตอนชื่อว่าทุกเนี่ยมันโชว์โกย่างอื่นตือนละนุ่นมีสติเลยได้ได้เตี่ยนทุกเป็นรู้ได้เปียนทุกเป็นแล้วไงทุกเนี่ย มันเปิดโกดเป็นกรรมขึ้นมาขยันเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ปฏิบัติทำวันเลืดไม่เคยเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์ไม่เคยเปลี่ยนหลงไม่ไม่หลงเพราะเห็นลูกทำเห็นลูกทุกข์เห็นนามทุกข์ลูกจบห่ช่วยตัวเองสงสารูกตรงสารนาม ปล่อยลูกปล่อยนามให้ละบากกากรรมมานาน 20, นะายี่สิบสามสิบปีนะตื่นเลเราช่วยลูกนามอยู่ในที่เป็นทุกข์ไม่ปล่อยทิ้งเกิดจากลูกก็ตามเกิดจากนามก็ตามจะดุตรงนี้นะอันนี้ก็สงสารใจ น, น้ำตาไหลน้ำตาซึมเลย ตั้แต่ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วอาชีพที่เป็นเป็นทุกขอีกโลนไปเลยทุกฝั่งอย่างเพอเห็นอย่างนี้โหลนไปก็มีร่วงไปก็มีไม่ได้ทําเลยบางอย่างก็ต้องทําบ่อยๆเหมือนกับเราเจ้าผลม้ บางลูกก็หล่นง่ายๆบางลู ก, กไม่ค่อยหล่นบางลูกก็ติดเลยเคยพูดเรื่องมัดเขียบหลอดเอามันมักเขียบมันหลอดไม่หล่นแต่ไม่มีค่าสาหรับต้นมันไม่ดูดอาหารสิ่งที่มันพลุงพลังหลุดทำอะไาทุกเน่น ทุกที่มันเป็นทุกทุกแบบเขียบหลอดเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกทุกแบบนี้ทุกเขียบหลอดไม่ทุกทั้งหมดทุกแบบเป็นรสเป็นชาติทาทําให้เจ็บปวดแล้วมันทุกแบบเขียบหลอดเห็นมันทุกไม่ได้เป็นผู้ทุก มีทุกทุกของอบนี้จังกันนะต่อมีอยู่แต่มันไม่เป็นผู้ทุกเห็นเหมือนทุกมันเจ็บเพมเก็บมันก็เป็นทุกทุกแบบเห็นทุกแบบประเขียบหลอดที่ซ้ำซึ้ไปถึงกายถึงจิตใจเหมือนมระเขียบหลอดที่มันติดต้นไม่ดูดอาหารเคเห็นไหมบางทีเห็นกะเขียบหลอดไหม น้อยนาไม่ดูดอาหารจากลํำต้นไม่เป็นเบคเนาทุกขเวทนาทุกโสกกระทุกวิเลยล่ลำพันทุกแบบนั้นไม่ทุกแบบประเคียบหลดมัก็เห็นกระแสไปแบบนี้ทุกขเวทนาทุกโศกโศกกระทุกวิเลยลําพันทุก นอยเนื้อตามใจอากาทุกข์ไม่ใช่ประเกียบหลอดทุกแบบดูดซึมชิ้นเปลืองงดประลองงานเสียสุขภาพอาทุกเบียบประเกียบหลอดนี่มันจึงมีเป็นผลขึ้นตาอากาทุกข์เนี่ยแทนที่มันจะทุกข์เศร้าโศกมันทุกข์ยิ้มยิ้มทุกขแบบสดชื่นทุกข์แบบสดชื่นเห็นของเท็จของกริง เห็นลูกทุกเห็นหนอมทุกแยกเป็นจัดเป็นส่วนเกี่ยวกับทุกอะไรเป็นแช่ไหนเพียงหลายสนุกนะปฏิบัติธรรมนสนุกกอบกู้สนุกกากู้ชีวิตคืนมาที่ถูกมมแ ม, มมานานความสุขความทุกข์ความโกรธูกสลวงเกากู้ขึ้นมาเอยสกปรกมอมแร ม, มพื้นมาซอด แต่ก่อนเหมือนเด็กเล่นขี้โคลนบ่อ น, นี่เป็นผู้ใหญ่ยืนจุกกระโป๋ดูเล็กเล่นขี้โคลนไม่สามารถที่จะเพื่อนกับสิงเหล่านั้นได้ฉุกเป็นฉุกเหมือนเด็กเล่นขี้โคลนทุกเป็นทุกเหมือนเด็กเล่นขี้โคลนเบื่อบ่อ น, นี้เห็นเหมือนสุกเห็นเหรทุกไม่เพื่อนสะอาดบ่อน เปนสิิตเป็นสิ น, น, นที่ขันสมาธิขันปัญญาที่ขันขันที่ขันที่สะอาดอสาิ่อันยิ่งสมาธิอันยิ่งปัญญาอันยิง่งเนี่ยตืต่นรุ่นไม่เห็นทุกข์นแต่ทุกข์ตอนนั้นเกิดขึ้นมี่แต่ทุกข์ตอนนั้นตั้งอยู่เป็นทุกข์ตอนนั้นลับไป อเห็นทุกพอเห็นอะไรทั้งหมดลูกโลกน้ำโลกมันซอยไปลูกโลกน้ำโลกูสมมุติตามสมมุติเป็นเครื่องมือทําให้หลื่อยถอนสมมุติมาช่วยให้ลื่ให้ถอนเห็นลูกโลกเห็นน้ำโลกช่ยเลื่อยให้ถอนโลกของลูกแค่ไหนเพียงใดโลกของน้ำแค่ไหนเพียงใดนี้อย่างไร ลูกจับเป็นเกณฑ์ไปตอบได้ตั้งแต่อายุ3าิปีตอบเรื่องของลูกลูกโลกนล้ำโลกลูกทุกน้ำทุกลูกทําน้ำทําหฮ้ยไปก่อนก็มีความดีไปทั้งกระแสโกวาเสดไม่กระแสรกระแสทำกระแสพนิพานเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไปโน่นไป ดำเนินไปตามกระเสริแล้วบนไอ้เอยีแก้ะมบนเหมือนลดขึ้นขีดจ ก, กยานขึ้นหมอีนั้นก็ทวนมาเฉก็เห็นนันนี้เหมือนกันลงโมล้วบนปล่อยก็เลยมัอนที่ไม่ต้องดับลายบน่อยลงไปเลยยังก็เอียงัยงบง เราพูดถึงทำมรรคยังไปสู่มรรคสู่ผลทำมรรคทำผลทำมรรคทำผลทำมรรคทำผลไม่ได้เรียนนะเพราะมันเห็นเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยส่นมรรคเป็นผลนะไม่ใช่เห็นเป็นอาชีพนะอาชีพพ็ได้ชีวิตนี่แหละชีที่ได้เรียนรู้จากภูผืนน้ำมันได้ชีวิตชีวิตมันได้อย่างนี้ มันต่อยอดจากรูปทําน้ําทําตอรูกน้ําทุกมันได้ลูกไม่ใช่ไม่ทุกในนอำที่ไม่ทุกเพราะความทุกของรูกของน้ําเห็นหมดแล้วมันเปลี่ยนปัญญาเรายอดใหม่รวมหลงเรายอดเป็นความลูกไปแล้วรวมทุกเรายอดเป็นความลูกไปแล้ว ความผิดในยอดเป็นความถูกไปแล้วเป็นความนู่ไปหมดเลยในยอดใหม่มาไล่เป็นดี ม, นมือมืดเป็นสว่างได้ประโยชน์จากมันเหตุทุกข์แท้ทำให้เกิดเป็นพุทธใงชีวิตขึ้นมาถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่รู้จะ เ, เกิดอะไรที่มันต่างเก่ามันเป็นพ้นจากความไม่ดีได้เป็นความดี เป็นเกณฑ์ชีวิตต่างเก่าพ้นภาวะเดิมเจ้าสวยปัจจายานย่างรู้ง่ายง่ายสะดวกรวมหลงไม่สะดวกความไม่หลงสะดวกที่สุดรวมทุกไม่สะดวกความไม่ทุกสะดวกที่สุดรวมโกรธไม่สะดวกความไม่โกรธสะดวกที่สุด สะดวกสะอาดสวางสนุกสะดวกตรงที่มันผิดมันจะถูกแตยก่อนมันตันทุกมันตันไว้ทุกมันตันไว้ยอมปล่อใจไม่พอใจมันตันไว้แบบนี้มันสะดวกพนเรื่องนี้เปิดทางให้ เมืนเปิดทางให้เป็นทางไปความหลงเป็นทางให้เกิดความรู้จักตัวความทุกข์ทำให้เกิดความรู้จักตัวสิ่งที่ผิดทาให้เกิดความรู้จักตัวทั้งหมดเป็นทางไปจากลวามลภหลงลังการเป็นทางไปดูดในการใช้ชีวิต ถ้าเป็นการเนินทำมิตรภาพจะจะตุจะเคยปรุงมหาจตุลัดเรียบเพราะจะไม่จึงเรียบเพราะการกระทำให้มันเรียบขึ้นมาตรงไหนที่เป็นร่องน้าที่มันเคยเป็นล่องโถ ม, มขึ้นสูงฝังท่งเห็นต้ามันผ่าน จ น, นที่มันสูงตกลงให้มันเสมอเหมือนเช่นนั้นเวลาเรานั่งรถในทางมิตรภาพจะทําให้ดีได้จะเปรียบก็เหมือนปฏิบัติธรรมตรงไหนที <mutta vielleicht S 2> <ๆ>่ทางโค้งผมก็ท <time> ําเป็นเครื่องหมายมันเครื่องหมายมาทีก็ทําป็นคื่นทํำไมกระทบกระโดดังตึๆๆ บอกั้งภัยอันตรายตางไหนที่เป็นทางสี่แยกข้าแยกก็ก็บอกเครื่อนไหลผู้ใช้รถใช้ถนนก็เลยปลอดภัยเหมือนกับมิตรภาพมิตรภาพหลังกิตป็ญญา น, นีคิดเดียวกันบอกผืดบอกถูกสะดวกไม่กระทบ ก, กระเทือนสุขสุขทุกข์มัน ก, ก็กม่กระทบ ก, กระเทือน พ <c oughs> อใจไม่พอใจคือว่ากระทบกระทือนเห็นมันเลียบถ้าเห็นนี่ไม่หวั่นไหว ม, มันเหลียบเหลียบโยนเห็นความแก่ความเจ็บความตายตายก่อนตายเจ็บก่อนเจ็บแก่ก่อนแก่เห็นมันจนแดงแค่ไหนเพียงลอย รวมไม่เที่ยงก็เห็นก like. ่อนที่มันไม่เที่ยงรวมเป็นทุกข์ก็เห็นก่อนที่มันเป็นทุกข์รวมมาใช่ตัวตนก็เห็นกก่อนที่มันไปใช่ตัวตนเมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นก็รู้แล้วรู้แล้วเมื่อความเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็รู้แล้วเมื่อความมาใช่ตัวตนเกิดขึ้นก็รู้แล้วรู้แล้ว นี่คือสิ่งที่มันเกิดกับรูปกกํำนามเห็นหมดตอบได้ตั้งแต่ก่อนโน้นเมืาออันเดียวเท่านั้นเลยความไม่เที่ยงก่อนเดียวความเปียกก้นเดียวความตายก่อนเดียวจึงไม่มีอะไรเหลือไว้แต่ลมหายใจเหลือไว้แต่ลมหายใจการไม่ใช่ชีวิตเป็นจิริยาไม่ใช่เป็นกรรมแล้วบัดนี้ เป็นการตัตรกรรมที่กรรมไม่มีผลต้องกินต้องถ่ายต้องหลับต้องนอนต้องพูดต้องเจาแต่ไม่เป็นกรรมไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีความผิดไม่ได้เป็นกรรมการใช้ชีวิตเหลือแต่ลมหายใจถ้เป็นชีวิตส่วนตัวไอชีิตคนอื่นก็ต้องมีมือหนิ้วสิบนิ้วมีคําพูดมีคําบอกเกี่ยวกับวัตถุอืน่นเชงอื่น โดยที่ได้เกิดประโยชน์มันก็รับความช่วทําคุดีไปหมดเลยอยู่กันในความผาสุกชีวิตเป็นเดียวกันหมดความถูกกันเดียวกันหมดความผิดเป็นเดียวกันหมดทุกคนทำแต่ความถูกความผิดก็หมดไปเอง โดยปฏิบัติธรรมนี่แล้วจเจริญสตินี่ตามที่เจ้าชรงสอนนี่แหละไม่ได้ทำอย่างอื่นหนังสือก็ไม่มีจัตัวสมัยก่อนเอาการนี่แล้วเป็นตำรานั่งู่อย่างเข้านั่งเหย่ยดนออกมีสติมันแต่ไหงกับบาล้ที่นี่ความหลงเป็นความรู้ นี่รวมหลงขณะที่ฝึกใหม่ๆความทุกข์ก็มีมันเกิดเลยขึ้นตอมจากความคิดเกิดเวทนาน้าหนาวก็ปวดขาพอจดก็เห็นมันทางกายมันเกิดขึ้นก็เห็นรู้ทางใจมัอเกิดขึ้นก็เห็นรู้ตื่นรู้นี่ต่รู้ไม่แต่รู้ไปรู้ไปรู้ไปจะเลยไปนี่ก่อนคิดถึงปีศากลับมารู้ คิดถึงลาหัวต้องกลับมาลูคิดถึงประบสบได้ดูก็กลับมาลูกลับมากลับมา ล, มาลูไม่ได้ไปกับความคิดวันจนท่าจะเจ็บแต่ปวดจะเป็นไข้ก็กลับมาลูอาาวพวี่ลูกเป็นใหญ่ไปก่อนแล้วให้ถึงอื่นที่เป็นใหญ่ไม่เคยเป็นใหญ่มาแล้วเจ็บก็เป็นเจ็บสุกก็เป็นสุกวันนี้มาเป็นลูเสร็จแล้วเพื่นเดียวเท่านั้นนะ ปฏิบัติอย่างไปเสด็จได้ผลอย่างไปเสด็จคือท่านอย่างนี้แหละอะไรที่มันเกิดกับปากกับใจเรานี่เปลี่ยนมาเป็นรูเปลี่ยนมาเป็นรูเนี่ยทาได้ทุกชีวิตเลยอริบุตรช่วยเราได้คําว่นฐานนี่ฟิกมือชุบีจังหวะให้รูอยู่นี่ถ้ามันเลือนมาก่อนลบลงไปหนึ่งรูสอรูสารู สี่ลู่ห้าลู่หกลู่เจ็ดลู่แปดลู่เก้าลู่สิบลู่ส็ดลู่สิบสองลู่สิบสามลู่สิบสี่ลู่นับลองดูให้มันสนุกสนุกแล้วก็แล้วก็วางเองดอกการนับคือการมาลิกรรมไม่ใช่ไปตลอดแล้วก็รูกไปก็วางไปเองแล้วก็เราเล่น พ่อคว่มที่เราเขียนหนังสือตรงเน้นลงไปสำคัญน้ามันหลงไรกัมีเยอะแยะเพียงพอเพื่อมือที่ในกายทีม่มาใช่อย่างเพียงพอมันลู่เลยได้ใส่ใจลงไปนี่คือตรลีจังสักหน่อยอย่าทำอ่นอนแอนนขึ้นหลงขาลูกสร้างจังหว่สิบห้าจังบะลูกครึ่งหนึ่ง มันก็ยังไม่เพียงพอต่อไปลู่ทุกวินาทีวินาทีหนึ่งลู่วินาทีหนึ่งลู่เน่นลองดูเหมือนกับเราหัดเขียนซื่อหลายครั้งเขีเยนแถวหัเขียนเล่นฮ่าไทยเลยเขียนหลายครั้งจะค่อยงามเขียนครั้งเดียวไม่งามหัดเขียนไปๆจนํานาญแบบเมื อ, มมอ ง, งหัดลู่มันก็ไปเองวันหัดลู่ไม่หลงหรอกอยู่ที่เราหัด น้าหลงเป็นหลงฉกเป็นทุกมาเด่อด้อนตัวเองมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นหลงลอยข้างถนนหลงจีอสงไขหลงทุกจีอสงไขยทุกไม่เคยเปลี่ยนให้มันเป็นลูกตอนนี้ชีวิตที่เรายังมีอยู่เนี่ยเอามาทํำนะนี่ลองดูสิเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันอยู่ด้วยกันมีอะไรมีปัญหาอะไรถามกันได้มีครูบาอาจารย์ ผู้ที่ผ่านแล้วนี่มาตอ น, นาทางเสนนี้ไม่หลงถ้าผ่านดูนี้ไม่หลงเอากายเอาใจเนี่ยเกิดเกี่ยวับกากับใจเนี่ยรับผิดชอบถ้าเกิดจากท้องฟ้าเนี่ไม่รู้เห็นเทวดาอยู่ท้องฟ้าเห็นสวรรค์อยู่ใต้ดินน่าไม่รู้หรอกมันอยู่ที่นี่เอานั่นผ่านได้เลยอย่าไปคิดอย่าไปเสียเวลากับมันได้ยินเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้รสทางลิ้น สมผัสไอยเบาอย่าไปหลงหมือนไอ้เหนลู้จุกตัวเนี่ยเจี๊ยวเวลาเฉยๆตกหคือเป็นเล่นิมิตอะไรหนั่นดูเสียงดูสีดูนิมิตต่อมาทายทักเจี๊ยวเวลานะอ๋อนะนะตอนนี้ก็สมควรเจี๊ยบเวลาอาภัพทำกันะนะนะนะนะ